ทำจิตให้สงบ ก, ก่อนแล้วจึงพิจารณาอารมณ์ให้ใจสงบไปอย่างนี้ซะก่อนนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนั่งเก้าอี้นั่งรถนั่งเรือก็ตามถ้ากำหนดเมื่อใดให้มันเข้าเลยขึ้นรถไฟพอนั่งลงให้มันเข้าเลยอยู่ไหนนั่งได้ทั้งนั้นถ้าขนาดนี้รู้จักแล้วรู้จักทางบ้างแล้ว จึงมาพิจารณาอารมณ์ใช้จิตที่สงบนั้นพิจารณาอารมณ์รูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างพุถะภะบ้างธรรมอารมณ์บางที่เกิดขึ้นให้มาพิจารณาชอบหรือไม่ชอบต่างๆนานาให้เป็นผู้รับทราบไว้อย่าเข้าไปหมายในอารมณ์นั้นถ้าดีก็ให้รู้ว่าดีถ้าไม่ดีก็ให้รู้ว่าไม่ดี อันนี้เป็นของสมุติบัญญัติถ้าจะดีจะชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอ่านคาถานี้ไว้ด้วยถ้าทำได้อย่างนี้เรื่อยๆไปปัญญาจะเกิดเองอารมณ์นั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทิ้งใส่สามขุมนี้นี้เป็นแก่นของวิปัสสนาทิ้งใส่อนิจจังทุกขังอนัตตา ดีชั่วร้ายอะไรก็ทิ้งมันใส่นี่ไม่นานเราก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาในอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาอ่อนๆขึ้นมานั่นแหละเรื่องภาวนาให้พยายามทำเรื่อยๆสีลห้านี้ถือเมื่อหลายปีแล้วไม่ใช่หรือเริ่มภาวนาที่ให้รู้ความจริงเพื่อละเพื่อถอนเพื่อความสงบ